ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมเออในชั้นของคำสอนที่เป็นเรื่องการพลานาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านะในบทที่เราสวดกันประจำที่บอกว่าพุทโธสุสุโธกรุณามหันตโวโยจันตสุธาภรญยานโลจานุ โลกสาปาปูปาิเลสคาตะโกวันดามีพุทธังอาหามาทะเรนตังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนบพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดแล้ว ทรงค่าเสียซึ่งบาปและอุปเิเลตของโลกข้าพเจ้าขอวันทาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อในข้อความนี้หมายความบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยป้าปัญญาถามว่าพระ บรมัสสดาเนี่ยมีความเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดด้วยอะไรด้วยพระปัญญาคุณปัญญาในไหนปัญญาในอารหัตมรักที่สามารถที่จะฆ่าเสียซึ่งกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นในกมลสันดานได้นั่นแหละพระบรมัสสดานั้นทรงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ พระผู้มีพระเจ้ามีพระกรุณาดุดห่วงมหันโนบอย่างกระห่วงของมหาสมุทรห่วงของห่วงน้ําก็คือว่ายังความเย็นตาเย็นใจให้กษัตริย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มดําน้ําเนี่ยได้อาบน้ําแล้วเนี่ยก็ได้รับความสุขได้รับความเย็นตาเย็นใจแม้ฉันใดเชี พระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาเวลาไหลร า, าดลดกระแสชีวิตของสัตว์แล้วเนี่ยก็พลิกฟื้นสัตว์ทั้งหลายที่จมไปด้วยห่วงของมหันตทุกนี่นะคือทุกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกเพราะความโศกความร่ำไรลำพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความรับแค้นใจเนี่ยก็ได้น้ำพระธรรมของพระบรมศาสดานี่แหละ ที่ได้ดื่มดำเข้าสู่กระแสจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายนั้นสัตว์นั้นก็ได้รับความสุขได้รับความเอิบอิ่มจากการได้ดื่มน้ำพระสัตวธรรมของพระศาสดานั่นแหละคือพระมหากรุณาของพระบรมศาสดาดุจห่วงมหันต์พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดพระบรมศาสดาเนี่ยหมดจดแล้ว จากราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอาหิริกาโนตปาและก็อุทะจะเพราะว่าพระบรมศาสดานั้นทรงฆ่าเสียซึ่งบาปบาประกรรมทั้งหลายที่จะมาในทางด้านกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตบาปทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอุปกิเลสทั้งหลายคือมีราคาโทสะโมหะเป็นต้น ที่ไหลท่วมทับกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่พระศาสดานั้นทรงฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลศของโลกถามว่าฆ่าอย่างไรพระองค์นั้นฆ่ากิเลศและบาปทั้งหลายในกระแสขันของพระองค์เองได้แล้วแล้วก็ทรงฆ่าบา ป, บาปทั้งหลายและอุปกิเลศของสัตว์โลกได้ด้วยฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นจึงอยู่ในฐานะเป็น เครื่องกำจัดภัยสัตว์ทั้งหลายมีภัยใช่ไหมภัยเพราะความเกิดแก่เจ็บตายภัยเพราะทุจริตทั้งหลายเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตโดยเฉพาะภัยเพราะกิเลส ท, ที่มาไหลท่วมทับภายในกระใจสัตว์อยู่เนี่ยสัตว์เหล่านั้นได้น้ําพระธรรมของพระบรมศาสดาที่ออกจากพระโอษฐ์กลั่นจากคาทัยของพุทธเจ้าสัตว์นั้นก็ได้ดื่มด่ำน้ำําพระสัตวธรรมนั้นเน่ย ก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นได้ฆ่าบาปที่มันจะออกมาทางกายกรรมวยีกรรมและมนโนกรรมเสียได้และโดยเฉพาะบาปคือความคิดที่ชั่วทั้งหลายของใจสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็สามารถกระชากความชั่วร้ายทั้งหลายที่อยู่ในใจนั้นออกจากใจได้เพราะพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาฉะนั้นพระาศาสดาจึงเป็นเครื่องกาจัดภัยหรือฆ่าบาป ฆ้าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลตให้กับสัตว์โลกทั้งหลายด้วยฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นจึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้หน่าวันทาน่าอภิวาทการกราบไหว้ในถ้ากราบโดยประเภทที่ว่าลาพาวันธนาไหว้เพราะหินแก่ลาบสกาละอันนั้นเขาเรียวกว่ามีโลภะเป็นประธานเป็นการกราบไหว้ที่ผิดพลาดพยาวันธนาไหว้เพราะความกลัวเพราะความโกรธ อันนั้นก็เป็นการกราบการไหว้ที่ผิดพลาดหรือการกราบการไหว้ตามวัฒนธรรมตามประเพณีอันนั้นก็เป็นการไหว้โดยชนิดที่ไม่ได้เคารพอย่างสูงสุดไม่มีพระบรมศาสดาเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าไม่มีพระศาสดาเป็นเ้ามูลไม่มีพระศาสดาเป็นสารนาอย่างแท้จริง ถ้ามีภาพบรมศาสดาเป็นข้อมูลเป็นสราระเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าท่านเหล่านั้นก็จะ ก, ก, กล้องกราบไหว้โดยความเคารพอย่างยิ่งเขาเรียกว่ากายวันธนาวจีวันธนาและมโนวันนานะกราบไหว้โดยความนอบน้อมไม่ใช่กายนอบน้อมอย่างเดียวไม่ใช่วาจานอบน้อมอย่างเดียวใช่ไหมจิตใจนั้นก็มีการนอบน้อมถามว่านอบน้อมได้แก่อะไร นอบน้อมได้แก่มหากุศลนะมหากุศลที่มีศรัทธาเป็นประธานนะที่มีปัญญาเป็นประธานที่มีเกตนาคือความจงใจจัดแจงในการที่จะคิดนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมเราจึงนอบน้อมพระบรมศาสดารุ้มไหมเหตุผลที่เราต้องนอบน้อมพระบรมศาสดาเพราะพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลผู้ควรบูชาอย่างยิ่งใช่ไหม จะบอกปูชาจะปูชนิยานางเนี่ยบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยบูชาใครบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาด้วยอะไรถ้ามีดอกไม้มีทูบเทียนมีของหอมใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่าอามิสบูชาถามว่าปารบอามิสบูชาเราปารบอะไรปารบสีบูชาได้ไหมปารบเสียงบูชาได้ไหม ปารบกลิ่นบูชาได้ไหมปู บ, บูปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสเย็นร้อนปารบทำมารมก็หมายความว่าให้ความคิดนึกในสิ่งที่ดีนอบน้อมบูชาพระศาสดาด้วยการให้รูปบูชาให้เสียงบูชาให้กลิ่นบูชาให้รสบูชาให้สัมผัสแล้วก็ให้ธรมารม คือความคิดที่เป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลเห็นไหมว่าเรามีอามิสบูชาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาใช่ไหมศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในคุณของพระาศาสดานั่นแหละในอย่างนั้นเขาจะบอกว่ากราบไหว้เคารพ บ, บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใส ย, ยิ่งในชั้นของคาถาที่มามาก่าวบ่อยๆใช่ไ บ่าวบูชารัตนามาราในคาถาแรกที่กล่าวบูชาบ่อยๆที่ใช้คำว่าอิทโสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะคายังอิดังดัมมังอนุปะโตอิเิมันโตนมามิหัง ติโนโยวตดดุคำหาตินังโลกานมุตตโมติโสบูมิงอติกันโตตินาโอังนามามิหังปิโยเดวามนุสสานังปิโยบรัมมานมุตตโมปิโยนาคสุปันนานัง ไปยินดลิยังนามามิหังข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาแล้วซึ่งสัพพัญุตยานทรงปรารถนาแล้วซึ่งทรรมเป็นที่สิ้นไปของกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและวิชาสวะ พระ อ, องค์ก็ทรงทำลายอาสวะกิเลสเหล่านั้นได้สิ้นในกมลสันดานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระ อ, องค์ได้ทรงบรรลุธรรมซึ่งทรงปรารถนามาอย่างยาวนานพระบรมา ศ, าศาสดาปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายี่สิบประสงค์ไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากัปเราท่านทั้งหลายธ้รมาพิจารณาเส้นทางการเดินทาง ในการที่จะเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากๆเราไม่ต้องดูบุคคลอื่นนะเราดูแค่ว่าบุคคลที่ร่วมสร้างบารมีกับพระผู้มีภาคเจ้าเราท่านทั้งหลายจำนางพิมพายโสธราได้ไหมนางพิมพาหรือโสธราเนี่ย ซึ่งในชาติสุดท้ายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยนางก็ได้ออกบวชหลังจากที่พระบรมศ า, าสดาได้ ต, ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วและเมื่อออกบวชเพียงไม่นานเมื่อได้ฟังพระธรรมคาสอนจากพระศ า, าสดาพระนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแตกฉานอภิญญาด้วย บรรลุปฏิสัมพิทายานสี่อภิญยาหกใช่ไหมแล้วก็วิโมกแปดนางก็ได้เข้าถึงที่สุดแห่งวัฏทุกได้แล้วทยอยหลังไปตอนที่นางเกิดเป็นพระมัสีใช่ตอนนั้นพระบรมศ า, ศาสดาบำเพ็ญบารมีเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมและพระเวสสันดรก็ทรงบริจาคบริจาคมหาทาน ในเวสันตดอนชาดอกเขาเรียกว่าอัติทานอัติทานก็แปลว่าทานที่ยิ่งทานที่ทำได้ยากอย่างยิ่งยากนักที่จะทำได้ที่จะให้บุตรเป็นทานให้ภริยาเป็นทานเถามว่าย้อนไปในสังสารวัตตอนที่นางพิมพาลิยะโสธราเนี่ยอายุ78ปี พระนางพิมพาเนี่ยเป็นสาชาติกับพระบรมศาสดานะเกิดวันเดียวกับพระศาสดาเกิดนั่นแหละวันที่พระศาสดาเหยียบพื้นแผ่นดินที่หมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหววันนั้นแหละนางพิมพาฤ ย, ยาโสธลาก็ถือออกจากครันมารดาวันนั้นเหมือนกันใช่ไนั่นแหละเขาเรียกสาชาติเกิดวันเดียว แต่นางนั้นเนี่ยนิพพานก่อนพระาศาสดาสองปีตอนนั้นนางเข้าไปกราบทูลลาพระาศาสดาว่าข้าแต่พระบรมศาสดาผูเ้เจริญบอกว่าขอให้พระบรมศาสดาเนี่ยรู้จักจงระลึกถึงกุศลกรรมของหม่อมฉันบ้างก็หมายความบอกว่า ให้ระลึกถึงกุศลกรรมของเธอด้วยว่าพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้นุตต ส, สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยหนึ่งในนั้นเธอเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระศาสดาก็บอกให้นางเนี่ยประกาศเกียรติคุณเล่าอดีตชาติของเธอเองนางก็เล่าบอกว่าเมื่อเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัปเนี่ย นางมีนามว่าสุมิตราเป็นบุตรของของพราหมณ์ในวันที่พระบรมศาสดาพระกัสสปาสัมมาสัมพุทธเจ้าจาลิกในพระนครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปในวันนั้นสุเมธาดาบทเครื อ, อดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะที่ว่าไปแผ่วทางทางแล้วไม่ทัน เพราะยังเหลือเส้นทางอีกระยะหนึ่งซึ่งมีโคลนตมกั้นอยู่ตอนนั้นเน่โเมธาดาบทซึ่งมีฤทธิ์มากมีอภิญญามาแล้วก็มีสมาบัตร8ได้ปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านจจตุตฌานแล้วก็ได้รูปฌานอีกสี่สามารถที่จะมีอิทธิฤทธิเนรมิตรให้พื้นแผ่นดินเต็มก็ได้แต่ท่านก็ไม่ทา เพราะต้องการถวายเป็นพุทธบูชาท่านก็เหาะลงมาแล้วก็ใช้ขอพื้นที่เบ็ดเสร็จแล้วก็เกลี่ยพื้นแผ่นดินต้องไปเอาดินเอาหินมาแล้วก็มาเทเพื่อจะปูเป็นถนนถวายเป็นพุทธบูชาแต่ทำไม่ทันใช่ไหมพอทำไม่ทันเบ็ดเสร็จท่านเห็นพระบรมศาสดาท้ทอมพร้อมได้พิกสูสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินมาถึงแล้ว ท่านก็เลยนอนทอดร่างใช้ร่างกายของตนเองเป็นสะพานแล้วก็กราบทูลแด่พระบรมศ า, ศาสดาบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่ภา ร, ริยสง์ข้าพเจ้าขอทอดกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาขอพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วย โปรดทรงเหยียบบนล่างของข้าพเจ้าเนี่ยฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งฝ่าเท้าของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายอย่าได้เปือเป้อนฝุ่นเปื้อนโคลนเลยขอให้เหยียบ ย, ยนยนบนแผ่นหลังของข้าพเจ้านี่เถอะท่านก็มอบกายถวายชีวิตแล้วก็ถวายเป็นบุทธบูชาในขณะเดียวกันตั้งก็ตั้งท่านก็ตั้งจิตปรารถนา จริงๆท่านปราถนามา16อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสน16อสงไขยแล้วเนอะมาครั้งนั้นเริ่มต้น4อสงไขยท่านก็บอกว่าด้วยการมอบกายถวายชีวิตนอนทอดร่างให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียบแล้วก็ให้พระอรหันต์เจแสนรูปเนี่ยข้ามไปครั้งเนี้ยขอให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุ สัพพัญยุตยานสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโดยทุตพอท่านอธิฐานในลักษณะอย่างนี้นี่แหละพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ครั้งแรกซึ่งเรียกปฐมพยากรณ์บอกว่าท่านจงดูชดินดาบทผู้รุ่งเรืองนี้ ต่อไปในภายภาคข้างหน้าสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับท่านผู้นี้จะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าสัมม า, าโคดมเห็นไหมในครั้งนั้นนางสมิตาเนี่ยมอบนางก็เล่าให้ฟังบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ในครั้งนั้นข้าพระองค์มีนามว่าสุมิตาถือดอกบัวแปดกำมือเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นท่านผู้เป็นดาบทลุ่งเลืองข้าพระเจ้ามีใจศรัทธาในผู้ธเจ้าและมีใจศรัทธาในท่านดาบทนั้นจึงได้มอบดอกบัวห้าดอกถวายให้ท่าน ส่วนอีกสามดอกข้าพระเจ้าถือเอาไว้แล้วข้าพระเจ้าก็บอกว่าท่านมหาดาบุตท่านจงใช้ดอกบัวห้าดอกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะใช้สามดอกนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ เ, เจ้าจากสามดอกรวมกับห้าดอกเป็นแปดดอกข้าพระเจ้าจัก สนับสนุนให้ท่านได้บรรลุสัมมาสัมปปิญานในอนาคตการคือว่าบุญของท่านทั้งสองรวมกันขอให้เป็นปัจจัยแก่สัมมาสัมปปิญาของท่านตามที่ท่านปรารถนาด้วยถึงมาบอกพระบรมศาสดาบอกว่าให้ระลึกถึงกุศลกรรมของนางด้วยว่านางเนี่ย เป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งปัจใจหนึ่งให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพปิญาณ น, นะแล้วนางก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระบรมศาสดาผู้เจริญในสังสารวัฏทีบาดมานั้นเน่ยข้าพระเจ้าสร้างบารมีร่วมมากับพระองค์นั้นน่ยพระ บ, บอกว่าพระองค์เนี่ยถวายหม่อมฉันเนี่ยให้เป็นภรรยาบุคคลอื่น เพื่อเป็นหมหาทานเนี่ยให้กับชายอื่นเนี่ยมากกว่าพันโกรธกลับหม่อมฉันก็ไม่เคยเสียใจเลยพระองค์เคยมอบหม่อมฉันเนี่ยให้เป็นทาตกับบุคคลอื่นมากกว่าพันโกรธกลับหม่อมฉันก็ไม่เคยเสียใจเลยพระองค์เคยสละหม่อมฉันเนี่ ย, ยให้เป็นอาหาร ของสัตว์อื่นมากกว่าพันโกรธกับหม่อมฉันก็ไม่เคยเสียใจเลยในสังสารวัตรที่ผ่านมานางได้รับทั้งสุขและทุกข์อย่างมากมายเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณที่ได้มาณนะบัดนี้ในครั้งนี้หม่อมฉันไม่เคยเสียใจเลยแปลว่าอะไรแปลว่านั้นไง อัธยาศัยของผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจไหมอัธยาศัยของผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องอุดหนุนเกื่อหนุนแห่งการได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณถ้าไม่มีนางซึ่งบำเพ็ญบารมีร่วมคู่กับพระาศาสดาเราก็ไม่ได้สักการะบูชาพระาศาสดาในวันนี้ทีนี้ นางก็บอกว่าในสังสารวัติที่ผ่านมาเนี่ยข้าพระองค์เคยกระทำผิดต่อพระองค์มาก็ไม่ใช่น้อยในวันนี้ชีวิตสังขารของข้าพระองค์นั้นหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าจะทูลลาพระศ า, าสดาเพื่อเข้าสู่การนิพพานหรือปรินิพพานแล้ว กรรมใดๆที่ได้กระทําไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมที่เคยล่วงเกินพระาศาสดามาในสังสารวัตรขอให้พระาศาสดาอดโทษให้หม่อมฉันด้ว ย, วยแล้วนางก็แสดงคารวะพระาศาสดาก็แสดงอิทธิปฏิหารเป็นถวายเป็นพุทธบูชานะแล้วก็แสดงประวัติของนางไปเสร็จแล้วนางก็นิพพาน ตรงนี้เป็นเครื่องชี้บอกอะไรทังเรารู้ไหมบอกว่าการได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสโรนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเราจะไม่รู้เลยว่าทานกุศลเป็นยังไงนะี่จะไม่รู้เลยศีลกุศลเป็นยังไงสมาธิกุศลเผาหรือปัญญากุศลเนี่ยเราจะไม่รู้จัก ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปจายณนะววยาวจะปฏิทานะปั ต, ตานโมธรมาธรรมเทศนาธรรมสวนาแล้วก็ทิฏฐิชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงทำยังไงแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่เพราะเราได้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติเกิดขึ้นมาที่บอกว่าพระผู้มีภาคเจา้าพระองค์ใดทรงปรารถนาแล้วซึ่งสรพพนิุตยานทรงปรารถนาแล้วซึ่งรม เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุธรรมแล้วสมตามที่ได้ปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความสำเร็จพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามแล้วจากทุกในวัฏจัพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเดินทางอย่างยาวไกลในสังสารวัฏนะอย่างยาวไกลในสังสารวัฏ การพาลานาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพาลานาที่ไม่จบไม่สินน้นไม่รู้จักภาลานาอย่างไรที่เราจะสามารถให้คุณของพระาศาสดานั้นหมดสิ้นไปได้ฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพระาศาสดานั้นแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยถ้าทําจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพภาคเจ้าแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นได้กอบบุญอันยิ่งใหญ่ไว้แล้วได้กอบ กอบบุญมโหฬารเข้าสู่ในกระแสใจกระแสของชีวิตท่านเหล่านั้นแล้วเพราะการที่นำจิตของเราท่านทั้งหลายนะนำมโนโวิญญาณหรือชาวนะจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในมโนโ ญ, ญาณทั้งหลายเหล่านี้นนะจิตทั้งหลายที่เป็นไปในกระแสของชาวนาที่เป็นการระลึกถึงคุณของพระศ า, าสดาที่มีศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการศรัทธาในคุณของพระศาสดาประดุจดังทหารกล้าข้ามน้ำที่มีสัตว์ร้ายโดยไม่เกรงกลัวพยันอันตรายแล้วยำพาผู้คนที่พากลีลีรอรออยู่บนบนฝั่งนั้นไม่กล้าที่จะข้ า, ขามให้ข้ามได้เม้ฉันใดสัตทินซีทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อตั้งมั่นในกระแสใจของท่านผู้ใดแล้วนะั้นก็มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวออกจากอสัตติยะความไม่มีศรัทธาได้อย่างเราท่านทั้งหลายมาสาธยายบอกว่าพุทโธสุสุโธกรุณามห h a โ a v o เนี่เป็นต้นเนี่ยถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหานพถ้าองค์ใดมีตาคือญาณ น, นันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกข้าพเจ้าขอวันทาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยความเคารพเอื้อเฟือ้อก็หมายความบอกว่าทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจเนะี่ยนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่เราท่านทั้งหลายต้องบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเหตุผลก็เพราะว่า เราเห็นว่าพระาศาสดาเป็นสารณะเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเป็นเครื่องกำจัดภัยเราไม่มีาศาสดาอื่นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ไหมถามว่าเหมือนพระเนี่ยทำไมท่านจึงกล้าที่จะศรัทธาพระาศาสดาพระพระเนี่ยท่านมีธงชัยของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาท่านบอกว่า ถ้าเราจะได้ยินก็บอกว่าจีวอนเนี่ยเป็นธงชัยของพาลหาัน้ากาสาวพัทเนี่ยเป็นธงชัยถ้าคนที่เคยเป็นทหารก็บอกว่ามีธงชัยเฉลิมพลเนื้อไอตัวธงชัยเฉลิมพลเนี่ยก็บอกว่าถ้าไปรบแล้วเนี่ยถ้าจิตท้อถอยหดหูจิตฟุ้งซ่าน จิตเกิดความรำคาญเกิดความกลัวเกิดขนพองสยองก้าวเนี่ยเขาดูธงชัยเฉลิมพลแล้วจิตใจทหารทั้งหลายก็เกิดความกล้าเกิดความอาหารเกิดความล่าเลิงในการที่จะห้ำหั่นอริราชศัตรูยอมตายในสนามสงครามลบดีกว่าการกลับมาอย่างผู้แพ้เราจะรักษาธงชัยนี้ไว้ จกไม่ยอมทิ้งธงชัยนี้ไว้แม้ฉันใดสาวกของพระาศาสดาไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและวาสิกานะท่านก็จะมีหลักชัยคือสั ญ, ญลักษณ์ของพระผู้มีพระเจ้าเหมือนกับพระาศาสดาบอกว่าบริษัทสีเนี่ยเราตั้งขึ้นด้วยสัพัญยุตยานนะคำว่าพุทธบริษัทนี่นเป็นบริษัทของเรา เราสร้างบารมี20่สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราเนี่ยเราจะตั้งบริษัทของเราว่าถ้าบริษัทของเราไม่ตั้งมั่นไม่แข็งแรงไม่อาถรรพ์แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงปริยติศาสนาปฏิปติศาสนาปฏิเวทศาสนาถ้าไม่เข้าถึงแล้วก็สามารถตั้งมั่นมั่นคงในศาสนาทั้งสามประการนี้ แตถาคดจักไม่นิพพานตาบนั้นใช่ไหมแต่ถ้าวันใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของเราตั้งมั่นแข็งแรงเข้าถึงปริยติศาสนาศาสนาคือพุทธวจนะทั้งสิ้นปฏิปติศาสนาศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือมากมีองค์8 ปฏิเวทาศาสนาศาสนาคือการแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการจนสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้นั่นคือปฏิเวทาศาสนาถ้าบริษัทของเราไม่ตั้งมั่นไม่แข็งแรงไม่มั่นคงในศาสนาสามประการเป็นต้นโดยใจความอย่างนี้นะแต่ถาคดจกไม่นิพพานตรับนั้นพระศาสดาก็อดกรัน ต่อคำทูลอ้อนวอนของพญามารต่อคำขอของพญามารแล้วแล้วเราเราจนในที่สุดเมื่อภรษาการสุดท้ายใช่ไหมพระศาสดาก็ต้องทิ้งขันธภาระมอบขันธภาระให้กับพญามารประมาณขอมานานแล้วแต่การขอพระศาสดาก็ให้เหตุผลที่ให้เพราะพระศาสดามั่นใจเรา มั่นใจบริษัทของท่านว่าแข็งแรงแล้วมั่นคงแล้วแสดงแต่งตั้งเปิดเผยาศาสนาสามประการให้กัเหล่าชาวพุทธบริษัทได้ดีแล้วเราท่านทั้งหลายลองใช้กระจกส่องกลับมาถึงตัวเองดูสิแล้วเราน่าวัดมั่นใจอย่างที่พระาศาสดาทรงมั่นใจไหมลองดูที ระหว่างที่วัตถูกา ก, ร ก, รกรารกีเลศการที่มันเป็นเครื่องลอกและเป็นแรดล้อมเราท่านทั้งหลายเต็มไปหมดเนี่ยแล้วตอนนี้เรายังตั้งมั่นในศาสนาของพระชิ น, นเจ้าดีอยู่ไหม